หนึสามวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่ส e. ัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันหมวดละสามได้แก่วิญญาณขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสก็มีวิญญาณขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้138วิญญาณขันหมวดละ1นได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สามประยุทธ์ด้วยสังโยตก็มีที่วิปประยุทธ์จากสังโยกก็มีวิญญาณขันหมวดละ 2, ดญญา ส, ะสะา เด็กกวิ ญ, ญญาณขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ญญนหญญนวึวิญญาณขันหมวดละหนึ่งเด็กกววิญญาณขันที่สัมปยุทธเดิทธัตสะวิญญาณขันหมวดละสอง ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอาศะขบุคคลก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ หนึ่งวิญญาณขันหมุดละหนึ่งเด็กแก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองเด็กแก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีวิญญาณขันหมุดละสาเด็กแก่วิญญาณขันที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคคตะก็มีที่เป็นอัปปมาณะก็มีวิญญาณขันหมุดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งสอวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มีที่วิปยุทธจากคันทะก็มีวิญญาณขันหมวดละสามได้แก่วิญญาณขันที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีปัะมานะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้142วิญญาณขันหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะวิญญาณขันหมดละสองได้แก่วิญญาณขันที่วิปยุทธจากคนันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุทธจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคนันทะ ก็มีวิญญาณขันหมวดละสได้แก่วิญญาณขันที่เป็นชั้นต่ําก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้143วิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอกะก็มีวิญญาณขันหมวดละสได้แก่วิญญาณขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีวิญญาณขันหมวดละ10บมีด้วยอาการอย่างนี้144งวิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะ วิญญาณขันหมุดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิบยุตจากโอคะก็มีวิญญาณขันหมุดละสได้แก่วิญญาณขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีวิญญาณขันหมุดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้14ึหวิญญาณขันหมุดละหนึ่ง ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตได้ผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งร้วิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุติผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันหมวดละสาได้แก่วิญญาณขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบ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 ที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นนารมลมของโยคะก็มีวิญญาณขันหมวดละสาได้แก่วิญญาณขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีวิญญาณขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้149วิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตได้ผัสสะ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 ทกวาลจบพหวุวิทวาลวิญญาณขันหมวดละเจ็ดได้แก่วิญญาณขันที่เป็นกุศลก็ ม, ทกกมีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นนับพยากรก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ก็มีวิญญาณขันหมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้ วิญญาณขันหมวดละเจ็ดอีกหวดหนึ่งแต่แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอทุกขม ส, สุขเวทนาก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นนรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์ก็มีวิญญาณขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันหมวดละเจมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ24ได้แก่เพราะจะักขูสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัย วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยกระดหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะการณสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอััยกฤะดหนึ่ง จึงมีจักคุวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละยีสิบสี่ 14, มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละยีสิบสี่ 14, อีกหมวดหนึ่งได้แก่พราะจักคุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอัตุขมะสุขเวทนาหนึ่งจึงมี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 ที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตฏุทุกหนึ่งจึงมีจักุวิญญาณมาโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละสามสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจากักรสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยวิญญาณขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่ง ที่เป็นนพยากริจหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุกหนึ่งจึงมีจัุวิญญาณมโนวิญญาณเพราะโสสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกานณสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย เพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นนับพยากรหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่งจึงมีจักขุวิญญาณมาโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมดละมากอย่าง มี hmm. ด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจะขูดสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาหนึ่งจึงมีวิญญาณขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวาจรก็มีที่เป็นรูปาวาจรก็มีที่เป็นอะรูปาวาจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก็มีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย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 รูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก์ก็มีจักุวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันหมดและมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าวิญญาณขันพระหุวิถวานจบอภิธรรมภาชนีจบสามปัญหาปุจฉกะ หขันห้าคือ 1. รูปขัน 2. เวทนาขันสสัญญาขัน 4. สังขารขัน 5. วิญญาณขันติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา 151. รอบเอดาขันห้าขันเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศล เท่าไรเป็นอัพยากฤิตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้หนึ่งติกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งกุศลติกะวิสัชนาหนึ่งห้าสิบสองรูปประขันเป็นอัพยากฤิตขันสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มี 2. เวทนาติกะวิสัชนาะขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสัามปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัามปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอัตุกขะมะสุ ข, ขเวทนาขันสที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุกรมะสุขเดดวทนาก็มี 3. วิปา ก, ากติกกวิสัชนาะ รูปประขันไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากขันธ์สที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินติกวิสัชนาะรูปประขันที่กรรมมันประกอบด้วยทันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี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 ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 6. กสวิตตกะติกะวิสัชนารูปขันไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณขันสามที่มีทั้งวิตตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ก็มีสังขารขันที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี 7. ป <pr> <ika> ีติกิกะวิจัชนารูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าสหระคตด้วยปีติสหระคตด้วยสุขหรือสหระคตด้วยอุเบกขา เวทนาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีขันธ์สาที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุข หรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนติกกวิสัชนาะรู ป, ปรขันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามขั น, นสี่ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี 9. ทัศนเหตุติกกวิจัชฉนารูปขันธ์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามขันธ์สที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต <Pues> ้องประหารด้วยมักเบื <dug gence sangre> ้องบนสามก็ม hmm ีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี10อาจายคามิติกกวิจัชฉนา รูปประขันไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานขันสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิบเอดเศคติกวิจัชนารูปประขันไม่เป็นของเสคาุคลและอเสคาุคลขันสี่ ที่เป็นของเสบขบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 12. ปริตติกวิสัชนารูปขันเป็นปริตตขันสี่ที่เป็นปริตตก็มีที่เป็นมหคัตก็มีที่เป็นอปประมาณะก็มีสิบสา ปริตตารมณติกวิจัชนารูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันธ์สี่ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคัตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีสิบสี่ ทีนติกะวิจัตชนาะรูปประขันเป็นชั้นกลางขันสีที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มี15มิจฉัตติกะวิจัตชนาะรูปประขันเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นขันสีที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มักม่าคะรัมณติกวิจัชนารูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสที่มีมัคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมัคเป็นเหตุก็มีที่มีมัคเป็นอติปบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมัคเป็นอารมณ์ มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีก็มี 17. บอุปนติติกวิสัชนาะขันห้าที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี18อัติตติกวิสัชนาะขันห้าที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี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 อัจฉตติกวิสัชนาขันห้าที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มียีสออัจฉตารามณติกวิสัชนารูปปัจฉัรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี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 ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี 2. ทุกกะมาติกาวิจัชนา 1. เหตุโคจัตชะกวิจัชนา153ขันสี่ไม่เป็นเหตุสังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปประขันไม่มีเหตุขันสี่ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มี รูปขันวิปยุตจากเหตุขันสีที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุ และมีเหตุก <S <S うう็มีท yeah ี่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปประขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปขันไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุขันสามที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี สังขานขันท um ี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสองจูรันตระทุกกวิจัตชนาขันห้ามีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขันสี่เห็นไม่ได้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 วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอา ร, huh? อารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจชัชกะวิสัชนาขันสีไม่เป็นสังโย์สังขารขันที่เป็นสังโยช์ก็มีที่ไม่เป็นสังโย์ก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของสังโยตขันสที่เป็นอารมณ์ของสังโยตก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชนก็มีรูปขันวิปยุจจากสังโยชนขันสี 4, ที่สัมปยุจด้วยสังโยชนก็มีที่วิปยุจจากสังโยชนก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชนและเป็นอารมณ์ของสังโยชนหรือเป็นอารมณ์ของสังโยชแต่ไม่เป็นสังโยชนขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชนและเป็นอารมณ์ของสัโยชน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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม right ่เป็นสังโยชน์ก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีรูปประขันที่วิปปยุทธจากสังโยชน์แต่เป ha ็นอารมณ์ของสังโยชน์ขันสี่ที่วิปปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปปยุทธจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุทธจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันทะโคจักะวิสัชนาขันธ์สไม่เป็นคันทะสังขารขันธ์ที่เป็นคันทะก็มีที่ไม่เป็นคันทะก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของคันทะ ขันธ์สี่ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีรูปขันธ์ที่วิปยุ์จากขันธะขันธ์สี่ที่สัมยุ์ด้วยขันธะก็มีที่วิปยุ์จากขันธะก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นขันธะและเป็นอารมณ์ของขันธะหรือเป็นอารมณ์ของขันธะแต่ไม่เป็น 3, ขันธะขันธ์สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นขันธะและเป็นอารมณ์ของขันธะ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 รูป ometer, ขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะขันธ์สกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าว ไ, ไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะก็มี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี6ถึง8โอะโคะโคจัชกาทิวิสัชนาขันตีไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรนสังขารขันที่เป็นนิวรนก็มีที่ไม่เป็นนิวรนก็มี รูปประขันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ขันสี่ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีรูปประขันวิปยุจจากนิวรณ์ขันสี่ที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุจจากนิวรณ์ก็มีรูปประขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ขันสาม กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรและเป็นอารมของนิวรที่เป็นอารมของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรและเป็นอารมของนิวรก็มีที่เป็นอารมของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรและเป็นอารมของนิวร หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณนก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณนขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปะยุทธ์ด้วยนิวร์ที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณนก็มี สังขารขันที่เป็นนิวรณและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวร์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวร์รร rooting, แต่ไม่เป็นนิวรก็มีรูปประคันวิปยุทธจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรขันสี่ที่วิปยุทธจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มี วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ปรามาสโคจัชกาวิสัชนาขันสไม่เป็นปรามาสสังขารขันที่เป็นปรามาสก็มีที่ไม่เป็นปรามาสก็มี รูปขันเป็นอารมณ์ของปรามาตขันสีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีรูปขันว <JO> ิปยุตจากปรามาตขันสาที่สัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตก็มีสังขารขันที่สัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาต หรือวิทยุจากปรามาสก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็น ป, ป, ปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มี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 ที่วิปยุตจากปรามาตรแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตรก็มีที่วิปยุตจากปรามาตรและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาตรแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตรหรือวิปยุตจากปรามาตรและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตรก็มี 10. ปิติท nice> ุกะรูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่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 รูปขันไม่ระคนกับจิตวิญญาณขันกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตขันสามมีจิตเป็นสมุดฐานวิญญาณขันไม่มีจิตเป็นสมุดฐานรูปขันที่มีจิตเป็นสมุดฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุดฐานก็มีขันสาเกิดพร้อมกับจิตวิญญาณขันไม่เกิดพร้อมกับจิต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 มีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสองไม่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสามละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตขันสองไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต 11. อุปาทานโคจัตชกะ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 ไม่เป็นอุปาทานสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานก็มีทีท่ไม่เป็นอ <Feed how S 2> <Ooh. S 1> ุปา <similar S 3> <ini> ทานก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันธ์สี่ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปขันธ์วิปยุ์จากอุปาทานขันธ์สี่ที่สัมพยุจด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุ์จากอุปาทานก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่า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 หรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันวิปยุทธจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันสี่ที่วิปยุทธจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 12. กิเลสโคจฉกะขันสี่ไม่เป็นกิเลสสังขารขันที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มี รูปขันเป็นอารมณ์ของกิเลสขันสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีรูปขันกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองขันสที่กิเลสทาให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีรูปขันวิปยุจจากกิเลสขันสที่สัมปยุจด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุจจากกิเลสก็มี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 วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอนารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอนารมณ์ของกิเลสก็มี 13. บสามหันตระทุกกะวิสชนารูปขันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักขันสี่ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีรูปขันไม่ต้องประห า, ดดารด้วยมักเบื้องบนสาม ขันธ์สที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีรูปขันธ์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคขันธ์สที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีรูปขันธ์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามขันธ์สี่ ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีรูปขันไม่มีวิตกขันสี่ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีรูปขันไม่มีวิจารณ์ขันสี่ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีรูปขันไม่มีปีติกขันสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มี รูปขันไม่สหรคตด้วยปีติขันสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีขันสองไม่สหรคตด้วยสุขขันสามที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีขันสองไม่สหรคตด้วยเบกขาขันสามที่สหรคตด้วยเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยเบกขาก็มี รูปขันเป็นกามาวจรขันสี่ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีรูปขันไม่เป็นมรูปาวจรขันสี่ที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นมรูปาวจรก็มีรูปขันไม่เป็นอรูปาวจรขันสี่ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอบรูปาวจรก็มีรูปขันนับเนื่องในวัตถุก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 ขันศีที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีรูปขันไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้ขันศีที่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองห่างก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้าก็มีปัญหาปุจจกะจบขันทวิพังจบบริบูรณ์